พากันตั้งใจฟังธรร ม, มวันนี้เป็นวันพระเดือนเก้าึ้นสิบห้าคำ่ำเป็นวันอุโสถทั้งของญาติโยมทั้งของพระภิกษุสามเณรผู้ที่มีความเชื่อมั่น ในศีลในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อถึงวันเช่นนี้เข้ามาแล้วก็ทำความยินดีในการที่จะรักษาอุโบสถศีลให้บริสุทธิ์พุทธพองจึงได้สละบ้านเรือนมารวมกันอยู่ในวัดพระอารามนี้กันดั่ว่าเป็นความคิดที่ดี เป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรสำหรับผู้ครองเรือนสาหรับผู้ครองเรือนแล้วหากว่าไม่หาเอาเวลาว่างหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้อย่างนี้ก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้ขวัดขวากันเลย ตางก็อ้างว่าการงานเอมีมากมายหลายประการไอ้ผู้ไม่มีงานอะไรก็ไปเล่นกอล์ฟเป็นเล่นการพ น, นันคันต่ออะไรต่ออะไรอยู่ในเมืองในานาไอ้ก็ถือว่ามีงานเนนี่ยอันั้นงานของคนไม่มีศรัทธาไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปก็ย่อม กิเลสมันก็นย่อมผาักนั้นให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายได้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอาศัยการเกิดการตายนานไปนานไปแล้วมันหักบริสุทธ์ไปเอง อันนี้เป็นความเห็นของคนอีกหมู่หนึ่งนี่นะคนหมู่นี้แหละไม่ทําอะไรไม่ทําบุญกุศลอะไรแสวงหาแต่ความสนุกสนานในโลกนี้เท่านั้นถึงเวลาตายก็าตายไปอืมเมื่อเขาไม่ได้ทําบุญกุศลอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกหาไม่ได้นั่นแหละความเข้าใจผิดมิจฉาทิฐิ คนมาเกิดเป็นคนนี่ต้องเป็นคนมีบุญนะพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดแล้วอวะเป็นคนมีบุญได้ให้ข้าวน้ําเป็นทานมาแต่ชาติก่อนอือันนี้สงให้ข้าวน้ําเป็นทานแล้วอันนี้สงสินค่าที่ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นนละสัตว์อื่นนี่อันนี้สงสินในส่วนหนึ่ง แต่ว่าส่วนที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นมันก็ไปเสวยวิบากรรมแล้วได้รับทุกทนทรมานได้เสวยวิบากรรมหมดเขตของวิบากรรมอันนั้นแล้วบุญที่ทำไว้นั้นมันก็นำให้มาเกิดเป็นคนอย่างนี้นะเราชอบกันอย่างนี้เหรอถามตัวเองดูทุกคนอะ เราชอบอย่างนี้เหลอทำบาปก็ทำไปแล้วไปสวยทุกในนรกอบายภูมิบุญก็ทำคนจากนรกมาแล้วก็มาสวยผลบุญบุญนำให้มาเกิดเป็นคนแต่ระลึกชาติหน้นหลังไม่ได้มันถึงไม่กลัวนรกนั่นแหละมันเกิดมาเป็นคนแล้วก็เหมือนกับว่าตนไม่ได้ไปตกนรกหมกไหมอะไรแต่ชาติก่อนโน้นหลัง เห็นบอกบุญตกแต่งให้ตนเป็นคนมาแล้วเกาะนึกวสบายแล้วไอ้อ ย, อย่างนี้เนี่ยมีเป็นโทนมากนะคนเรานะ่ะเนื่องจากว่าไม่มีปัญญายาณที่จะระลึกขานหนนหลังได้แล้วก็ผู้ที่เชื่อต่อพระปัญญาตรัตสรูของตัวเจ้าก็เห็นแจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์นร้นไม่ใช่ประโยชน์ เมื่อได้ฟังทำสอนของพระพุทธเจ้าล้วก็มาพิจารณาว่าเออบุญเนี่ยมันมีจริงบาปมีจริงแน่นอนทีเดียวถ้าหากว่าบุญมีอย่างเดียวบาปไม่มีเช่นนี้คนเกิดมาในโลกนี่มันก็มันก็เสมอกันหมดสิถ้ามีความสุขก็มีความสุขเหมือนกันหมดเลยแหละ เดี๋ยลองคิดดูให้ดีนี่ทําไมมันจึงไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านั่นแหละในชีวิตของคนเราเนะมีทั้งบุญทั้งบาปอืมเมื่อเขาได้บุญให้ผลมันก็มีความสุขความจเจริญไปถ้าเมื่อใดบาปมันให้ผลก็มีความทุกข์ทนทรมานไปอยู่อย่างนั้นอืม แล้วคนทั้งหลายน่ะมันเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกามคุณเมื่อจิตใจล่าเริงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจแล้วมันกระึงความทุกข์ที่ตนได้รับทุกทนทรมานอะไรมาก็ลืมไปกพส่งใจไปตามรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆเหตุนั่นโลกอันนี้น่ะ เขายังจัดให้มีมอรถสถพบงานเต้นล้ำขับร้องดิสตเป่าเพื่อให้คนได้ไปดูแล้วมันคลายทุกข์ทางใจได้บ้างเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าคนชาติอื่นโฆษณาคึกคโมกันมากก็จามาสแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยอย่างนี้ก็ตื่นกันแหละคนไทยอะ่ะ ทั้งที่เขาเรียกเก็บเงินคนละสองพันห้าร้อยบาทไม่เสียดายเลยไปเสียเงินให้เขาแล้วก็ไปหัวเลาะคอหายกับกิริยาอาการที่เขาเต้นเล่าๆสู่ให้ดูเข้าไปถือว่ามีความสุขสนุกสนานลืมทุกข์ลืมยากไปนี่คนส่วนมากติดอยู่ในความสุขเหล่านี้เรื่องมันนะอะเป็นยางไน เมื่อมันติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นแล้วนะมันก็ไม่สนใจทางศีลทางธรรมทางบุญกุศลแล้วอืมเขาถือว่าเขามีความสุขพอแล้วนี่เรื่องมัน่ะมันเป็นยังไงแต่สําหรับผู้ที่มีบุญวัสนาแรงกล้าพาสอสมควรได้ฟังคําคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงมาพิจารณาเห็นว่าความสุขในโลกดังกล่าวมานี่มันเป็นความสุขชั่วคราว ไม่ใช่ยังยืนอะไรความสุขเองอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อวัตถุสิ่งของเหล่านั้นหมดไปความสุขนั้นก็หมดไปตามกันความสุขอาศัยร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี้มันยังไม่สำรุดชุดชมเต้นสามศอกออกสามวาได้ก็ถือว่าตนมีความสุขอย่างนี้แหละอา้าวพอร่างกายนี้มันชุดชมไป ไม่จีรังยั่งยืนไอจิต ท, ที่อาศัยในร่างกายนี้ก็ทุรนทุรายเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ชีวิตของมนุษย์เราก็หมุนไปตามกรรมอย่างนี้แหละสำหรับผู้ไม่รู้นะ ม, มันเป็นางานเรื่องมันนะสำหรับผู้รู้ผู้ได้ฟังคำสองพระพุทธเจ้าแล้วก็มาฝึ ก, กจิตดวงนี้ให้มันตั้งมันลงไป เพราะจิตไม่ตั้งมัน่นนั่นแหละมันถึงได้วันไหวยไปตามอำนาจของกิเลสหลงไหลไปตามความถูกชั่วคราวงั่นมันมองไม่เห็นความสุขนั่นเป็นของชั่วคราวมองไม่เห็นเลยคำ ว, ว่าชั่วคราวนั่นหมายความว่ามีความสุขมาเพีเดียวพอดาวแล้วความสุขก็หายไปอย่างนี้นะความทุกข์ก็เกิดมาแทนแล้วก็แสวงหาความสุขกันไปใหม่ อันความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษั ท, ษทให้ลงมือแสวงหากระทำอันนี้เนะี่ยมันเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขทางกายทางวาจาทางใจนี้อย่างนั้นอย่างโยมผู้หญิงที่มาจากทางเหนือเนี่ยมาบวชบทีมัตสกี้นี่ถามดู ทำไมจึงมาบวชทีเขาต้องการความสุขทางใจอันนี้เพื่อนกนว่าเพิ่นคิดตีอยู่เหมือนกันนะอืเหมือวามว่าอยู่กับบ้านกับช่องนั่นนะ่ะมันมีเรื่องกระทบกระเทือนมากมายอคุกขีตีโมงอยู่กับคนหมู่มากได้รับความกระทบกระทั่งอยู่นั่นจิตใจหาความสงบระ ง, งับไม่ได้เลย น่อยก็เสียใจหน่อยก็ดีใจหน่อยก็ทับแกนน่อยก็โกรธอะไรต่ออะไรอยู่เรื่อยแต่ละวันแต่ละคืน อ, อผู้มีวัฒนาอยู่ว่ามันก็พิจารณาเห็นเลยโอ้การที่อยู่อย่างนี้นี่หาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์เ อ, อทนทรมานทางจิตใจอย่างนี้ถ้าได้หนีไปสู่สถานที่สงบสงัด แล้วอย่างนี้มันน่าจะทำความสงบใจได้จะได้รับความสุขความสงบทางคิดใจคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ล่าลาลูกหลานญาติพี่น้องมา ม, มาขอบวชทีในวัดนี้ก็อขอให้เมชีทั้งหลายจงมีเมตตาต่อเมชีที่มาใหม่เพื่อนไม่คล่องแค้่วไม่ ชํานิชํานาญข้อปฏิบัติอันใดก็ช่วยบอกช่วยเนะนํากันไปอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามาโนกรรมต่อ ก, กันแลกกันเช่นนี้มันก็เป็นบุญกุศลกันส่วนหนึ่งอันนี้น่ะองคเบญจันทรหมายความว่าการกระทําบันใดถ้ามันอนํานวยควคือความสุขความสบายใจให้แก่ผู้อื่นการกระทํานั้นน่ะได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศล รงกันข้ามการทำอะไรพูดอะไรทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนการกระทําันานั้นการพูดอย่างนั้นชื่อว่าเป็นบาปอากุศลมันก็รงกันข้ามอย่างนี้แหละคนเราให้พิจารณาดูให้ดีพระพุทธเจ้าทรงบรญยัิสิกขาบทไว้ให้สมทานให้รักษาสำรวมระวัง ก็ เ, เพื่อมาให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองนั่นแหละทําไม่สารวมในสิกขาบทวินัย ต, ต่างๆแล้วนะ่ะมันก็ได้เบียดเบียนกันในแบบนี้น ะ, ะเมื่อไม่พอใจกันมาไม่แสดงออกทางกายกับแสดงออกทางวาจาด่าแช่งพูดหยาบคายกระทบกระแทกผููที่คนเกลียดนั้นให้เขาเจ็บอกเจ็บใจ ไอ้อย่างนี้แหละความเป็นผู้ที่ไม่มีเมตตาธรรมต่อกันและกันนะไม่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเนอะ่ยดังนั้นทุกคนขอให้มีเมตตาพรหมวิหารมีกรุณาพรหมวิหารอยู่ในใจทุกคนผู้กระพฤตธรรมในโลกนี้นะอย่าไปปล่อยให้คุณธรรมเหล่านี้เหินห่างจากจิตใจ แล้วเราจะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขไม่ได้เลยถ้าขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อ ก, กันและกันแ ล, แล้วอยู่ด้วยกันเป็นสุขไม่ได้เลยจะต้องอยู่ด้วยความทุกข์อืมความวุ่นวายใจความไม่พอใจอะไรอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องตามนักบวชผู้เป็นนักบวดผู้มาประพฤติธรรมจะเป็นคารืหัดก็ตามอืม มันก็ไม่ถูกทางดังนั้นเราต้องปรับตัวเองเข้าไปให้มันถูกทางสายกลางให้ได้มเมื่อต่างคนต่างปรับตัวเองให้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อกันและกันอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ด้วยกันแม้จะเป็นผู้จะอยู่ด้วยกันจนํานวนมากก็ตาม มันก็มีความสุขความสบายใจนั่นแหละขอให้พากันเข้าใจเราเข้ามาบวชในพระธศาสนานี่ทุกคนก็หวังว่าจะมาสแสวงหาความสุขทางขิดใจนั่นแหละพระร่างกายนี่จะอยู่ยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่อย่งยืนอยู่แล้วจะอยู่ในเพศไหนก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ย่งยืนอยู่นั่นเอง แต่ดวงจิตนี่นะเราสามารถปรับปรุงให้ดีได้ให้ตั้งมั่นได้ไอ้อร่างกายนี่เราจะบำรุงให้ดียังไงยังไงมันก็เที่ยงยั่งยืนไม่ได้พิจารณาดูให้ดีเนี่ยล้วมีแต่จิตตรงเดียวเนี่ยเราสามารถปรับปรุงให้มันตั้งมั่นลงไปได้ร่างกายมันจะวิบัติแปรพันธ์ไป แต่จิตที่ฝึกฝนได้ดีแล้วมันก็ไม่วิบัติไม่แปร ى, ปวนไปตามร่างกายความมุ่งหมายของการปฏิบัตินี่อย่างนี้ขอให้เข้าใจแต่ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นนี่เวลาร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยวิบัติไปใจก็หวันไหวไปตามร่างกายเลยกวนกวายไปตามร่างกายนั่นแหละส่วนมากเป็นอย่างนี้คนเรานะ ดังนั้นเนี่ยเมื่อได้รับคำแนะนำากเกอนเช่นนี้แล้วก็ควรจะพากันตื่นตัวตื่นตัวฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ได้ยฝึกจิตนี้ให้เฉลียวฉลาดมีปัญญารู้เท่านามธรรมรู้เท่ารูปธรรมอันเรียกว่าขันธานี้ให้ได้ก็เพราะความไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่าขันธานี้เอง จิตใจมันจึงได้วันไหวไปตามความไม่เที่ยงของขันห้าเมื่อจิตใจวันไหวไปเช่นนั้นนะ่ะทุกคนต้องรู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่มีความสุขเลยจิตใจดวงเดียวท่านี้วันไหวแล้วไม่มีความสุขจริงๆอะ่ะถ้าฝึกจิตตรงนี้ให้ตั้งมั่นด้วยดีมีปัญญารู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงอย่างว่านั้น ไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันขันห่ามันแปรปวนไปเราก็รู้ว่าขันห้ามันแปรปวนมันกำลังจะแตกจะดับไม่ได้ไม่ไม่ได้ถือว่าเราจะแตกจะดับเราจะตายเราไม่มีอยู่ในขันหา้าขันห้าไม่มีอยู่ในเราก็ต้องกำหนดรู้ธรรมเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตนี้มันก็ไม่วนไว้ไปตามขันห้าอะไรแบบนี้นะอ่ามันเป็นยังไง เรื่มันนะมันจังหวะมันสำคัญอยู่ที่เราฝึกใค่ใจเข้มแข็งนี่นะนั่งภาวนาอนนั่งให้มันนานๆสมควรพยายามคมจิตนี้ที่มันเลื่อนลอยอยู่ให้มันให้มันดิ่งลงไปสู่ภายในหัวใจนู่นนีมให้มันดิ่งลงไปหาครบที่เกิดของมัน นี่ดวงจิตนี่มันมันเข้ามาบริสุธิ์ที่ในท้องของบรรดามันเข้าไปอาศัยธาตุของบรรดาบิดานั่นแล้วบุญกรรมตกแต่งหาไทยวัตถุคือเนื้อหัวใจนี่นะให้ดวงจิตนี่ได้อาศัยให้เข้าใจเมื่อหากว่ามีสติประคับประคองความรู้สึกคือดวงจิตนี่ให้ ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันลงได้เรียอว่าตั้งมั่นอยู่ในที่รู้นั่นแหละรู้อยู่ตรงไหนมีสติประคองความรู้นั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในตรงนั้นนะนั่นแหะได้ชื่อว่าฝึกจิตให้ตั้งมั่นขอยเข้าใจอืมไม่ใช่ว่าอจิตที่จะหมายเอาอย่างอื่นนะอย่าไปเข้าใจผิดจิตหมายเอาความรู้อ่ ความรู้อันอยู่ในร่างกายอันนี้นะหายใจเข้าเราก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะเนี่ยความรู้อันนี้ไม่หนีไปไหนอะ่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เลยถ้าหากว่าความรู้คือจิตเนี่ยมันถอนออกจากหาไทยวัตถุคือเนื้อหัวใจนี่แล้วตายเลยคนเราอยู่ไม่ได้ มันก็ออกจากร่างนี่ออกไปหาที่เกิดใหม่แล้ววันนี้จิตนี่นะที่ว่าจิตไปนู่นไปนี่นั่นไม่ใช่จิตไปหรอกเจตสิกคือความคิดความคิดมันก็ออกจากความรู้สึกอันนั้นแหละให้เข้าใจดังนั้นเมื่อผู้เรียนรู้อย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็มีสติ กำหนดรู้เท่าความคิดนั้นไว้ครับเผลอๆมันคิดไปอย่างนี้ความคิดไม่ใช่จิตก็แล้วไปเราก็มีสติประคองความรู้สึก น, นั้นไว้ไม่ให้มันคิดต่อไปอีกให้มันคิดเท่าที่คิดแล้วนั่นเช่นนี้มันก็หยุดลงได้นะความรู้สึก น, นั้นนะหยุดคิดลงได้อืมถ้าหากว่าสติไม่ยังเข้าไปใกล้ความรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะ มันจะห้ามจิตนี้ไม่ได้เลยมันจะคิดอยู่นั้นน่ะมันยึดถือเรื่องใดว่า ม, มันก็คิดถึงเรื่องนั้นแหละเอาเรื่องนั้นแหละมาวิจารณ์อยู่นั้นนะนี่ให้พากันเข้าใจนั่งภาวนาอย่าไปนั่งงมกนั่งง่วงอย่าไปนั่งซื่อซื่ออยู่เฉยเต้องเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่เพ่งความรู้สึกอันนี้นะอันั่นแหละสติให้ยั่งเข้าไปหาความรู้สึกอันนี้ เมื่อสติยังลอยอยู่ข้างนอกยังไม่ยังเข้าไปถึงความรู้สึก น, นั้นมันไม่หยุดคิดเลยจิตนะมันก็คิดอยู่ น, นั้นแหละเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญพระกราากรมฐานนั่นแห่ะเพ่งอวัยวะร่างกายนี่อย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเห็นแล้วก็เอาจิตไปจดจอ่ออยู่ในนิมิตอันนั้น เช่นเพ่งเห็นกระดูกอย่างนี้นะที่โครงกระดูกสันหลังบอกนี่ก็เพ่งอยู่ในกระดูกอันนั้นนะ่ะเอาความรู้สึกไปเพ่งอยู่ในกระดูกอันนั้นเมื่อจิตมันมีเครื่องอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่คิดไปไหนแลยวันนี้นะมันก็เพ่งรู้อยู่แต่กระดูกนะั่นแหลมเพ่งไปเพ่งมาขันท่าจิตมันสงบละเอียดเข้าไป กระดูกนั้นมันก็ใสขึ้นไปดอนลาดับอ่ามันใสก ว, กว่าธรรมชาติเดิมของมันมันปรากฏในความรู้สึกหมายคเขาว่าอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วกระดูกนะั่นมันก็เป็นกระดูกอยู่ตามธรรมดามันเลยแต่ความรู้สึกทางจิตใจเน่ะมันนึงมองเห็นกระดูกนั้นว่าใสาเหมือนแกอ่อนหากว่าผูใ้ใดเพ่งไม่หยุดไม่หย่อนนะจิตใจแน่วแน่ได้เต็มที่แนละ้วมันก็เป็นอย่างนั้น่ไปที่ท่านเรียกว่า เอปฏิภาคคณิมิตนี่แหละปฏิภาคคณิมิตแปลว่านิมิตที่มันพิเศษกว่าธรรมด า, ามาเข้ามานั้นคํ า, าว่าปฏิภาคคณิมิตนี่นะมันมีความรู้สึกสว่างสวายยิ่งกว่าธรรมดาความรู้สึกในใจ แล้วความสงบก็แนบเนียนกว่าธรรมดาอย่างนี้นะแล้วสิ่งที่เห็นนั่นมันก็อ่หองใสยิ่งกว่าธรรมดานี่ท่านเรียกว่าปฏิภาคคณิมิตโอคานิมิ ต, มตนั่นเช่นยกตัวอย่างว่าเราเพ่งเข้าไปเห็นกระดูกอะไนีน้ก็เห็นกระดูกธรรมดาอยู่นั้นไม่ใสไม่ อะไรไม่เลื่อมเหมือนแก้วเหมือนอะไรนั่นไม่เป็นนะอ่าเป็นกระดูกอยู่ไหนก็เป็นเห็นอยู่ยงั้นมีเลือดมีน้ำเหลืองมีน้ำน้องอะไรอยู่ในนั่นก็เห็นตามธรรมชาติอยู่ยนั้นอันนี้ท่านเรียกว่าอุกหะนิมิตนิมิตติดตาเนี่ยการการพยายาิจารณาการเจริญพระกรรมฐานนะ เรามีพระกรรมฐานอะไรหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ใจสงบได้เพราะใจในเมื่อมันมีมันมันมีที่ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในนั้นแล้วมันก็ไม่ส่งไปภายนอกเรืองมันน่ะถ้ามันอยู่เฉยๆไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอะไรภายในเลยอย่างนี้นี่มันไม่มันอยู่ไม่ไม่ได้จิตนี่มันต้องคิดส่งไปแหละมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะ ที่พระพุทธเจ้าสอนในเจริญพระกรรมฐานนั่นก็เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตนี้เองแหะไม่ให้คิดพุ่งไปทางอืน่นอย่างนี้นะเชันทําให้คิดไม่เพ่งอย่างนั้นก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่างนี้เออความตายเนี่ยคือลมหายใจมันหยุดหลงเมื่อลมหายใจอยู่หลงแล้วโลกก็สมมติก็มาตายเท่านั้นเอง ร่างกายนี่ก็เคลื่อนไหวไปมาอะไรก็ไม่ได้เลยเหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดพิ้งไว้บนดินคอยแต่จะเน่าจะเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองนี่ความตายนี่ได้ชื่อว่าเป็นที่หวาดหวั่นพันพึงสะดุ้งกลัวต่อคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปตลอดถึงสัตว์สิ่งไดฉานมันก็กลัวตายเหมือนกันอย่างนี้นะนั่นแหละ แังนั้นความตายในชีวออเป็นมหาภัยอันใหญ่ยิ่งทุกคนต้องระลึกไว้เสมอไม่เช่นนั้นในเมื่อเวลาความตายมาถึงเขานั้นเป็นทุกข์หลายทีเดียวตื่นเต้นเศร้าโศกเสียใจกลัวว่าจะได้พัดพ า, าการของรักของชอบใจในโลกนี้ไปอย่างนี้แหละทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความเจ็บความปวดความร้อนอะไรต่ออะไรทัรัพย์เอย เมื่อเวลามันจะตายนะธาตุี่ขนาามันไม่ปองรองสามัคคีกันแนละ้วมันแตกสามัคคีกันมันก็ป่วนปั่นวันไหวไปทั่วเลยไปงั้นะฉะนั้นเราต้องพิจารณาถึงเรื่องความตายนี่ไว้เสมอเสมอขอยุดติดลงเพียงเท่านี้